ก็ขอบคุณมากนะครับที่ท่านได้แนะนำกัลยาณมิตรในสายของท่านเข้ามา mm hmm. ก็มีติดต่อมาวันนี้ก็สองสามคนเลยนะครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งหวังว่า Tree Of Life เนี่ยทางของเมตตาธรรมสากลที่ปลดล็อบออกจากศาสนาใดศาสนาหนึ่งเนี่ยให้กลายเป็นเรื่องกลา ง, ลางเป็นเรื่องสภาวะธรรมแห่งความรักสากลเนี่ยจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยต่อกัลยาณมิตรในสายธรรมของท่านนะครับ ก็ยังยินดีรับอยู่นะครับถ้าใครอยากจะแนะนําเข้ามาเพิ่มเพียงแต่ว่าก็อาจจะต้องรับสภาพนิด น, นึงว่าเราเรียนกันไปนแล้วประมาณสีหคลิปแล้วนะครับถ้าหาก ว, ว่าไปตามดูแล้วก็ไม่ได้คิดว่ามันเป็นปัญหาอะไรมากมายเนี่ยก็ยินดีนะครับที่จะรับนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เรื่อยๆครับ